บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธิชนทั้งหลายสืบต่อไปวันเสาร์นี้เป็นวันสุดท้ายของปีซึ่งเป็นการบุญบนไปตามจักรราศีแต่เราก็มีการกำหนดยึดถือการในเรื่อง ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ธรรมะที่กล่าวกันมาโดยลำดับนั้นเมื่อเรามองโดยสรุปก็จะพบว่าพระบุมีพระภาคเจ้าทรงแสดงในสี่กลุ่มใหญ่ๆตามนัยะแห่งพระบุตธภาสิทธิสัตว์ไปเป็นใจความว่าดวก่อนภิกูุทั้งหลาย ทำสองประการควรกำหนดรูปคือนามหนึ่งรูปหนึ่งคำานามมารูปนั้นเป็นการกล่าวถึงสิ่งทั้งหลายโดยรวมเพราะว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนั้นจะมีเป็นรูปธรรมกับเป็นนามธรรมาวันการกำหนดแยกออกเป็นรูปเป็นนามเพื่อเห็นว่า สิ่งทั้งสองประการนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมาประชุมกันปรุงแต่งกันในความเป็นนามเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในความเป็นรูปเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วเมื่อรูปนามมารวมกันเข้าก็แยกออกเป็นสองประเภทเช่นเดียวกันคือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตซึ่งหมายความว่าถ้ารูปกับ น, นามรวมกันอยู่ก็กลายเป็นมีชีวิต ธรรนามแยกออกไปเหลือแต่รูปสิ่งนั้นก็กลายเป็นสิ่งไม่มีชีวิต <Okay. S 1> ที่เราพูดกันว่าสังขารที่มีใจครองกับสังขารที่ไม่มีใจครองเราพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือคนสัตว์สิ่งของคนกับสัตว์เป็นสิ่งที่มีใจครองสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใจครองถึงโดยสรุปแล้วก็คือเรื่องรูปธนามนั่นเอง การเรียกขานเป็นการกำหนดหมายการสมมติบัญญัติกันขึ้นเราจะตั้งคำถามว่าอะไรคือรูปก็ตอบได้ว่าสิ่งที่เสื่อมสลายไปเพราะเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่ารูปรูปจึงเป็นความหมายรวมๆเป็นการพูดถึงสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาได้ยินได้ด้วยหูสูดมได้ด้วยจมกูกริมได้ด้วยลิ้นถูกต้องได้ด้วยกาย ก็แสดงว่าสิ่งที่เป็นรูปก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผนธะพะคือสิ่งที่กายกระทบแต่นั้นแม้ตาหูจมูกลิ้นกายเองก็คงเป็นรูปเพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเห็นได้ด้วยตาเพราะนั้นคือรูปนั้นเห็นได้ด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลืมด้วยดินแล้ถูกต้องด้วยกาย สิ่งที่เป็นนามนั้นคือสิ่งที่เรารู้ด้วยใจดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางกลางก็ได้เป็นเหตุเกิดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้พอเรามองสิ่งเหล่านี้สรุปรวมวงที่ขันห้าขันห้านั้นส่วนที่เป็นรูปประขันคือกองของรูปก็ได้แก่พวกรูปโดยนิยาาที่กล่าวแล้ว เวทนาความสวยอารมณ์อาการที่ปรากฏเด่นชัดในจิตใจของคนก็คือสุขทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขใช่โดยรายละเอียดจะมีการจำแนกเวทนาออกไปเป็นถึง108ประการและในมหาสติปัฏฐานในสูตรที่กำลังศึกษากันอยู่นั้นจาแนกวทนาออกไปถึง9ประการแต่โดยอาการที่ปรากฏแล้ว ถสังเกตถ้าเด่นชัดสำหรับคนทั่วไปก็คือสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตที่เราเรียกว่าเจตสิกรธรรมเหตุเรื่องความสุขความทุกข์นั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตเราที่ไปกําหนดเราสังเกตว่าการเห็นรูปบางอย่างสำหรับคนบางคนก็ให้ความสุขบางคนก็ให้ความทุกข์บางคนก็ให้เฉยๆ บรรลุเสียงกลิ่นรสจึงไม่ใช่เป็นตัวกำหนดแต่อยู่ที่ใจคนไปกำหนดรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นไว้ในฐานะอะไรแต่ในฐานะที่ตนรักเราก็เกิดสุขฐานะที่ตนไม่รักเราเกิดทุกข์ฐานะที่เฉยๆความรู้สึกมันก็เฉยๆแม้เสียงกลิ่นรสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับใจคนไปกำหนดเอา เกิดสุขก็ได้เกิดทุกข์ก็ได้เกิดเฉยๆก็ได้ให้เกิดกิเลส ก, ก็ได้เกิดธรรมะก็ได้ให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้เพราะไรเพระอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดก็คือรูปนามนั่นเองเราพูดเรื่องกรรมฐานกันมาโดยทําดับเอาก็จริงก็คือรูปนามเพียงแต่ว่าจะใช้ในกรณีใดตอนไห น, นพุทธศาสนาใช้ในหลายๆกรณี แต่ในกรณีของกรรมฐานก็ใช้เพ่งดูกับใช้พิจารณาก็ใช้เพ่งให้จิตใจมีความสงบอยู่กับตัวรูปเช่นลมหายใจเข้าออกเนี่ก็คือรูปเราตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็แสดงว่าเพ่งรูปแต่ในขณะเดียร์จันการจะ ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่รูปนั้นเราก็มีสิ่งที่เป็นนามคือสติสมัญญาความเพียรบางครั้งไม่การฟังเสียงโดยการได้ยินเสียงมันก็เกิดได้ทั้งกินเหล็เกิดได้ทั้งธรรมะแล้วเกิดได้ทั้งที่เป็นกลางกลางมั น, ออ น, น, น, มนขึ้นอยู่กับเสียงอะไรในระดับทั่วไปมันเกิดขึ้นอยู่กับเสียงอะไร เสียงมีลักษณะกระตุ้นให้เกิดราคาเกิดโลภะเกิดโทสะคนก็เพิ่มโลราคาโทสะมโหขึ้นตามเสียงกระตุ้นเหล่านั้นแต่ถ้าหาว่าพื้นฐานนด้นจิตใจของคนมีความเข้มแข็งมากพอรูปเสียงเหล่านั้นไม่มีความสําคัญอะไร <c oughs> ก็ อ, อยู่ที่ท่านคิดอย่างไงอยู่ที่ท่านมองรูปเหล่านั้นอย่างไงฟังเสียงเหล่านั้นอย่างไง เราจึงพบว่าพระอรหันต์บางท่านฟังเสียงร้องเพลงแต่พิจารณาในแง่ของธรรมะบรรลุมรรคผลไปก็มีแต่มีแต่คนบางคนหรือแม้แต่เป็นพระไปแล้วไปฟังเสียงบางเสียงปรุงแต่งเรืเกิดราคาระเพเกิดโลภะก็ศึกหาลาภเพศออกไปก็มีตัวนี้จึงแสดงได้อย่างชัดเจนว่าพวกรูปทั้งหมดที่ปรากฏทางประสาทสัมผัสของเรานั้น มันไม่ได้เป็นอย่างที่คนเข้าใจกันสำนวนลึกๆทางศาสนาท่านเรียกว่าเป็นมายาเรื่อกวาจริงมันก็ไม่มีอยู่จริงๆจะมีอิทธิพลสางความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตใจคนได้มันก็อยู่ที่ใจคนเป็นตัวกำหนด รูปเดียวกันพื้นฐานในการมองแตกต่างกันเสียงเดียวกันพื้นมองในพื้นฐานในการมองแตกต่างกันเกิดกิเลสก็ได้เกิดธรรมะ ก, ก็ได้เราจึงพบว่าบางครั้งแม้แต่การมองซากศพคนบางคนจิตแปรปรวนไม่ได้ความกำหนัดแต่การมองซากศพต้นเองคนบางคนก็กลัวผีเกิดหวาดกลัวเกิดสะดุ้งเกิดนอนไม่หลับเกิดวิตกกังวล และซากศพนั้นนั่นเองคนบางคนก็มองเป็นอารมณ์ของมนสติทำให้ช่วยช่วยให้ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ก็ซากศพนั้นเองคนบางคนก็มองในแนวของอสุภกรรมฐานมองเห็นเป็นความไม่สวยเป็นงานความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายสํารอกได้ทั้งราคะโลภโทสะโมหะในอารมณ์ทั้งหลายออกไปรเราก็จริงมันก็ไม่มีอะไรคนร่มก็เหมือนเหมือนกัน เป็นชีพประชุมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายมีผมผลผลผลในความหนังเป็นต้นเพราะงั้นจริงๆแล้วเราก็คิดจากจุดเดียวแต่วิธีคิดพื้นฐานในการคิดไม่เหมือนกันวันนี้จึงเป็นอารมณ์ของสมรกรรมฐานดังกล่าวแล้วในกรณีที่ใช้เพ่งเพื่อจิตใจส ง, งบเราก็เรียกว่าสมาถกรรมฐานจะสำนวนธรรมะอีกอย่างหนึ่งว่าอมรูปร อารมณูปนิชฌานคือเพ่งดูเป็นอารม์แต่ในจุดนั้นนั่นเองเราก็นำมาพิพนิจพิจารณาแยกแยะเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสัตว์สองสังขารทั้งหลายเราดันมันก็กลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานแลว้วพาถึงจุดหนึ่งท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นในส่วนที่ก็อให้เกิดความสงบและในส่วนที่ท่านรู้ ผู้เรานี้เลยเลยกลายเป็นเครื่องอาศัยคล้ายๆกับยานภาชนะที่อาศัยคํามฟ้าพอถึงฟังหนึ่งมันก็ต้องทิ้งในช่วงแรกก็เราอาศัยแต่ช่วงต่อไปเราก็ทิ้งไม่ได้เอายานภาชนะเรานั้นไปด้วยอิจใจของท่านผู้ประพฤติปฏิบัติทถึงเกี่ยวข้องกับนมามรูปก็จะมีลักษณะอย่างนั้น พอมาถึงสัญญาเราจะเห็นว่าสัญญาเองมันก็เป็นเรื่องของเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตการจำสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เราก็จำอยู่ทั้งสองแนวคือจำโดยโมหะหรือจำด้วยปัญญาถ้าจำโดยโมหะมันก็เกิดโรโลพระราะโทสะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าจำด้วยปัญญามันก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ อะไรควรเก็บก็เก็บอะไรควรจำก็จำอะไรควรลืมก็ลืมอะไรควรยึดไว้ก็ยึดไว้อะไรควรปล่อยก็ปล่อยคือไม่ใช่จำไว้ทั้งหมดเพราะเรื่องมาเรื่องจำไปแล้วเก็บไปแล้วมันมีความขุดมัวเศร้าหมองเกิดขึ้นภายในใจเรงการประพฤติการกระทำไม่ดีของคนเหล่าอื่นแต่เราเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ด้วยความอาฆาตพยาบามด้วยความแค้นเกืโดยการผูกโกรธ เขานอนหลับสบายเราเล่าร้ อ, รอนคิดแก้แค้นคิดต่อสู้คิดล้างผลาญอย่างนั้นอย่างนี้ถึงไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะการรู้โลกจึงอยู่ที่การมองโดยพื้นฐานอะไรอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสุชาติธรรมหลายจะมาดูโลกนี้อันตราการดุรายฉุดที่พวกคนเขาร้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ค้องอยู่ โลกมีความมิจิตพิสดารพัฒ น, นาให้เกิดเกิดความสวยงามยังไงก็ได้ครานี้ท่านทั้งหลายที่เคยฟังหมาชาติชาดกคงจะลึกออกว่าใน ก, า, นการกันจุลพลกับมหาพลจุลพลแปลว่าป่าน้อยมาหาพลแปลว่าป่าใหญ่เป็นครั้นพันนา ธรรมชาติทั้งหลายพืชทั้งหลายภูเขาต้นไม้สัตว์สิ่งสาระสัตว์ทั้งหลายในปา่าเป็นความมิจิตสวยงามเคริบเคริ้มแต่เหล่านั้นก็คือสิ่งที่มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นคนจะรู้สึกว่าส ว, สวยงามหรือไม่สวยงามมันอยู่ที่ใครไปกดมองแต่เราเห็นว่า การมองต้นไม้เพียงต้นเดียวก็มองต่างกันแล้วเพราะาโลกที่ปรากฏแก่สายตาของคนมันก็ก่อให้เกิดการมองแตกต่างกันคนบางคนจะเลือกมองหรือก็เลือกจับแต่คนบางคนนั้นก็แล้วแต่กระแสของโลกที่จะฉุดไปแล้วก็จําเอาไว้มันก็เกิดความสับสนเรื่องไม่ควรจําก็ไปจาเอาไว้ ดึงควรลืมกลับจำเป็นต้นปันสัญญากับเวทนาจึงเป็นเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตและตัวเขาเองแล้วท่านบอกว่าเป็นจิตสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือจิตซึ่งท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาเราเห็นรูปความเสียงดมกลิ่นดิมรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนอดแข็งนั้นหรือแม้แต่เหนี่ยวนึกอารมณ์ เราจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันทำไมยังแตกต่างกันมันอยู่ที่สัญญาคือเราจารูปนั้นไวในฐานะอะไรเรามีความรู้สึกหรือเคยมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสตอา น, นั้นอย่างไรพอเราได้เห็นรูปเป็นต้นอาการเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นตามที่เราเก็บเอาไว้ ทำให้เราเห็นว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพเป็นอันมากที่เราไม่เคยผ่านมาเลยคือไม่เคยจำไว้ไม่เคยเก็บไว้ไม่เคยรู้สึกยินดียินร้ายที่เกิดสุขทุกข์เพราะรูปเสียงกลิ่นเป็นต้นเหล่านั้นเพราะพอเจอเขาครั้งแรกเราก็รู้สึกเฉยในความเฉยเฉยนั้นมีความไม่รู้แต่ความไม่รู้เป็นสัญาตยานของสัตว์โลกก็คืออยากรู้จะไม่รู้เป็นอะไรก็กิด คิดมากก็กลายเป็นฟุง้งซ่านเดี๋ยวเรื่องนิวรณ์มาอุทจักกุจจักคิดมากไปคิดมากายัางหาข้ อ, อยตุติไม่ได้ก็ความเรืยอแปรง่งสงสัยมันก็เกิดขึ้นเรอยก็กลายเป็นวิจิกิจจาหาทางรู้ให้ได้ก็อาจจะสอบถามศึกษาคนา้นคว้าเรียนรู้ในที่สุดมาก็รู้จักสิ่งเหล่านั้น รู้คุณโทษของสิ่งเหล่านั้นรู้ความดีความไม่ดีของสิ่งเหล่านั้นและตัวเองก็จําไว้เคยผ่านความรู้สึกยินดียินร้ายความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มากับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็เก็บไว้ภายในใจแต่การเก็บไว้เพราะว่าพวกนี้เป็นของไม่เที่ยงท่านศาสดาหลายจึงจะสังเกตได้ว่ามีรูปเป็นนั้นมากที่เคยทําให้เรารักเราชัง ที่จริงเราเก็บไว้อะมาจําไว้แล้วเราก็เคยได้รับความสุขความทุกข์เพราะรูปเป็นรดอนดอนนั้นอยู่แล้วแต่เมื่นานไปก็ลืมหมดพอเจอมาก็นึกไม่ออกพอพบก็นับเหมือนกันใหม่สแสดงให้เห็นถึงว่าตัวสัญญาความจำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนได้คือลืมได้ก็จําไ ด, ได้ลืมได้เราสามารถใช้คุณสมบัติของความลืมคือลืมเรื่องบางเรื่องที่ไม่ดีเสีย แล้ใช้คุณสมบัติของความจำเนี่ยก็จำเรื่องดีๆงามเอาไว้วก็ได้ประโยชน์จากพวกเวทนาโวกสัญญาต่างๆเปไ็นันมาในส่วนของสังขารเองก็เป็นนามแต่คำว่าสังขารในขันท่านั้นแต่โปรดเข้าใจว่าคำว่าสังขารเป็นคำรวมๆคล้ายๆคำว่าธรรมะ มันมีกรอบขอบข่ายรองเฉพาะธรรมะเท่านั้นเองเพราะธรรมะจะหมายถึงนิพพานด้วยแต่ตัณขนานั้นไม่หมายถึงนิพพานเท่านั้นเองแต่กรอบระดับอื่นแล้วก็เท่ากันหมายความว่าสังขารทั้งหลายไม่เจ็บสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์แต่ว่าธรรมทั้งปวงเป็นนัตตาเพราะว่าอนัตตนั้นคลุมถึงนิพพานด้วยสังขารคลุมไม่ถึงนิพพาน พอห น, นิพานแต่เรียกวิวสังขารคือปราจจะสังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งแต่ในความหมายเหล่ า, ลานี้ถ้าเรามองให้ดีอีกทีหนึ่งก็คือว่าจิตของท่านที่เข้าถึงนิพานนั้นไม่มีกิเลสหมายถึงเฉพาะสังขารที่เป็นพวกกลุ่มของอกุศลส่วนสังขารที่เป็นกลา ง, ลางหรือโลกุตตรกุศลนัล่นก็มีกันท่าน สังขารจึงได้แก่ธรรมะแต่เรียกว่ากูศุนะกุนล้ะก็กลางกลงแต่เพราะว่าผู้ระดับสังขารสิ่งนียกก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ก็ตีกรอบว่าธรรมะประเภทที่ยกว่อสังขารยกเว้นธรรมะประเภทประเภทวิสังขารตัวนิพานจึงไม่ใช่ขัน แต่ว่าอาศัยขันเพียงแต่ว่าไม่ยึดติดในขันเรียกว่าไม่มีอัตราตัวตนเป็นที่ยึดมั่นหรือมั่นเพราะเราเห็นว่าสังขารเองก็เป็นนามแล้วเป็นตัวอิทธิพลใหญ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนพระพวกนี้ที่จริงก็จะเกิดร่วมกันคือจิตเราแต่ละคนนี ถ้าไม่มีสังขารเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์เพราะจิตจึงเป็นธรรมชาติคล้ายๆกันน้ําที่ไม่มีสีไม่มีกลิน่นไม่มีรสแต่น้าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปเปลี่ยนแปลงสีเปลี่ยนแปลงกลิน่นเปลี่ยนแปลงรสได้ตลอดโดยอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาทําให้กเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นน้ําหวานเป็นน้ํำหอมเป็นน้ําเหม็นเป็นน้ําสกรปรกเป็นน้ําสะอาดก็ว่ากันไป แต่ไม่ใช่โดยตัวของแก่เองเพียงแต่อาศัยการปรุงแต่งจากสิ่งอื่นจิตใจ่าเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเวลาจิตเราเกิดเราลองสังเกตว่ามันมีทั้งตัวสัญญาคือความจำทั้งเวทนาทคือการสเวยอารมณ์ทั้งวิญญาณคือความรู้แล้วก็กุศลลกุศลเกิดขึ้นในขณะนั้น หมายความว่าเป็นทั้งหมดของตัวนามและในขณะต่อเนื่องกันผลสังขารตรงนี้ที่เป็นนามจึงกลายเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ทุกๆเรื่องไม่เราสังเกตว่าพวกอนุสติเป็นการเราดลกถึงกุศลนธรรมยกเว้นแต่มนสติกับอนาปานสติ ตอนนั้นจะเป็นการราลึกถึงกุศลแธรรมที่เป็นตัวบุคคลเช่นพุทธานุสติสังขานุสติเทวตานุสติหรือถึงที่ตัวผลเช่นสีลานุสติจาขานุสติหรือถึงตัวเป้าหมายเช่นอุปสมานุสติเเหล่านี้จริงๆก็คือกุศลเป็นพวกสังขารที่เป็นกุศล การมองมาทุกๆระดับซึ่งหมายความว่าเป็นทั้งกลุ่มของทุกลกลุ่มของมรรคก็กลุ่มของนิโรธส่วนนาปาณาสติกับอนัสตินั้นเป็นสภาวธรรมถ้าในแง่ของเขาก็คือเป็นทุกข์สัตว์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเอาเข้าจริงแล้วในอนุสติเองก็คือเรื่องของอริยสัจ ส่วนบิญญาณแปลว่าความรู้วิเศษหรือรู้อารมณ์พิญญาณในขันธานั้นเป็นงานของจิตที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ซึ่งผ่านม า, า, ม า, าทางภระสาทสัมผัสรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมกูกรู้รสทางลิน้นรู้ยันต์รอน้อนแข็งทางกายรู้อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจ เราจะเห็นว่าภายในใจนั้นจะมีการเก็บการสะสมอารมณ์เอาไว้ก็คือสัญญากับเวทนาแต่ในขณะเดียวกันมีอารมณ์ที่ผ่านมาในขณะนั้นๆ น, นยานวที่มีการพูดถึงเรื่องอายตนะมาโดยลำดับแต่เกี่ยวข้องกับสังโยชน์แต่สังโชน์ั้งหลายเห็นว่ากุศลแกุ ศ, ศกลกลางกลก็เกิดขึ้นจากการสัมผัส การเห็นรูปในตาเป็นต้นมันก็เกิดขึ้นกิเลสเกิดก็ได้ธรรมะเกิดก็ได้หรือว่าเกิดเฉยๆก็ได้มันอยู่ที่วิจิคิดก็เรียกว่าโยนิโสมมสิการคือวิจีคิดของคนเราดันมีการวินิจฉัยตัดสินอารมณ์ต่างๆได้พระเจ้าทั้งหลายท่านก็ ท, นกท่านก็อยู่ในโลก ปัจจัยที่กระตุ้นให้ท่านเกิดความเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเราดูตัวอย่างง่ายๆของพระพุทธเจ้าตัวอย่างกระตุ้นคือเกิดแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายซึ่งเป็นภาพปกติแต่นั้นคือสภาวธรรม มเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยก็พระองค์ก็เริ่มคิดจากแก่จากเจ็บจากตายกลับไปกลับมาระวังเกิดแก่เจ็บตายระวังแก่เจ็บตายแล้วก็มองเชื่อมต่อไปว่าแก่มันมีไม่ได้ถ้าไม่มีเกิดเพราะถ้าเราไม่ชอบแก่เจ็บตายเราต้องไปแก้ที่ตัวเกิดเพียงแต่ในตอนนั้นตอนเป็นพระโพธิัตย์ยังไม่รู้ว่าเกิดมันมาจากอะไรแ่นั้นเอง เดีเพียงรู้แบบสามัญว่าเกิดก็ามาจากคอจากแม่แต่เบืวเว้องหลังลึ ก, ลกๆจริงๆนี่คืออะไรเพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราจึงพบว่าตรงตรัสรู้เรื่องการเกิดว่าการเกิดที่ก่อให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายกาพรพัดพระสูงเสียปัญหาสารพัดที่เกิดขึ้ น, นมันมาจากอวิชชาคือกิเลส ถ้าทำลายอาวิชชาจะได้เนี่จบปลมกระบวนการทั้งหมดแต่ยังมีอวิชชามันก็ต้องมีสังขารคือการกระทําที่เป็นบุญเป็นบาปแม้จะมีการกระทําที่ประณีตคือถึงจนถึงได้บรรลุฌานา แ, ลา แ, ลแล้วก็ตามในกิเลสมันไม่หมดมันก็ต้องไปเกิดพอเกิดกระบวนการทางเกิดมันก็ติดตามมาทั้งทั้งหมด แล้วพอเส้นทางของการบาเพ็ญเพียรเราจะพบว่าต่อมาเกิดปัญหาในการประพฤติปฏิบัติพระเจ้าก็คิดจากรูปคือเสียงผิดเสียงผิดที่มีการดีดกันอยู่ในตรงนั้น ท่านนำมาเรียงไว้เป็นคำกรอนว่าดีดพินจับระบำาจะทำสายพอดีถึงนักสายมาขาดเพลงพินาศหมเสียงสายหย่อนนักสายหมดไปจะทาสายพอดีท่านก็คิดตรงนี้มองดูการกระทาของท่านพอพูดเรื่องพินท่านก็ชนานาญเรื่องพินมาแล้วก็รู้ทันทีก็เห็นว่าท่านนั้นเหมือนพินที่ตึงถ้าคืนปฏิบัติอย่างนี้มันก็ขาด เพิ่ก็ปรับลดลงมาแต่ไม่ใช่ไปหยอดคือปรับมาอยู่ตรงกลางเพราะว่าถ้าหยอดเขาก็ไม่มีเสียงนั่นกันปฏิบัติไปปฏิบัติมามันเกิดอาการที่เรียกว่าชะงักงันกิเลส ก, ก็ไม่ลดธรรมะก็ไม่เพิ่มจะไปก็ไม่ไปจะถอยหลังก็ไม่ถอยคล้ายๆการรักษาโรคแล้วมันมันมันทรงอยู่อย่างเงี้ยไม่ถึงกระสุด ไม่ถึงกับหายแต่ก็รงอยู่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรคือนอนโรงพยาบาลเหมือนเดิมปัญหามันอยู่ตรงไหนเราเห็ว่าสิ่งที่นำมาคิดก็คือรูปก็คือท่อนไม้คิดจากท่อนไม้ท่อนไม้ซึ่งเราอยู่แต่แถวนั้นทรงมองเห็นว่าระหว่างรูปกับนามมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมือก็ท่อนไม้ที่เราจะเอามาสีไฟได้หรือหรือไม่ได้มันก็อยู่ที่สภาพของท่อนไม้เราดันท่อนไม้ใดที่ยังสดเราก็แช่น้ำมันเปียกทั้งอย่างทั้งน้ำมันก็เอามาสีไฟไม่ได้หรอท่อนไม้ใดที่แม้จะไม่แช่น้ำแต่ยังสดยังมียางอยู่มันก็จีก็เอามาสีไฟให้เกิดเกิดไฟขึ้นมาไม่ได้ ท่อนไม้ที่สียไฟได้มันจะต้องเป็นท่อนไม้ที่แข็งแล้วก็ไม่มียางแล้วไม่แช่น้ําหมายความามโดยสภาพแล้วเนี่ยไม่มียางอยู่ภายในในขณะเดียวกันก็ไม่มีเปียกจากข้างนอกคือเปียกน้ําถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เสียเกิดไฟได้เพราะจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้ากายยังไม่ออกจากกรามใจเองก็ยังคิดปัวพันหมกมุ่นอยู่ในกราม แล้วความากายซึ่งเป็นรูปกับใจซึ่งเป็นนามยังหมกมุ่นอยู่ในกามก็ไปไม่รอดมันเหมือนเหมือนกับไม้สูตรที่ชุ่มอยู่ด้นยางและวางไว้ในาน้าจะเสียเกิดคลยไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแม้กายจะออกมาจากกามแล้วแต่ใจมันยังคิดคือตัวนามมันยังคิดยังวิ่งไปไปหารูเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่สวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจหรือแม้จะไม่ชอบกระดับ พวนี้เหมือนไปลายสุดที่ชุ่มอยู่ได้อย่างแม้วางไว้บุญบกก็เสียเกิดฝ่ายไม่ได้แต่บุคคลใดก็ตามที่กายก็ออกจากกามหมายความวาตัวรูปเองก็ออกจากวัตถุกามจิตก็ไม่คิดปัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามรั้วน้ำเองก็ไม่ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสมณพราม์เหล่านั้นถ้าบําเพ็ญพยายามไปก็จะบรรลุมากคลใด เหมือนไม้สดเหมือนไม้แห้งที่ปราศจากจากแล้ววางไว้บนบกเป็นไม้ที่พร้อมจะเสียเกิดไฟขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องมีการสีจึงจะเกิดไฟคนเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแม้จะเก่งดีพิเศษยังไงก็ตามถ้าไม่ใช้ความเพียรพยายามแล้วผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ สุดยอดของคนก็คือพระพุทธเจ้าแล้วถ้าพระองค์อยู่ในวังมายความเปลี่ยนเพียงอะไรมอกแก่เท่าไปตามธรรมดาเพราะพระองค์เองก็ต้องใช้ความเพี่ยนพยายามผลจากธรรมปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นสมบัติอยู่ในเอื้อมมือของคนที่ใช้ความเพี่ยนพยาย ที่เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีเหล่านั้นเพราะธรรมะปฏิบัติทั้งหลายที่พระเจ้าทรงชี้แจงแสดงโดยนิยะอะไรก็ตามจะเป็นการบอกกล่าวชี้หนทางให้เท่านั้นแต่ผลจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็อยู่ที่ความเพียรพยายามของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสำคัญก็คล้ายๆกับพอเอาไม้ไม้สด ไ, ไม้แห้งที่ปาสะจากยาง มาวางไว้ให้สมผูที่ต้องการไฟแต่เขาไม่เอาไม้เรานันไปสีไฟไฟมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ธรรมะปฏิบัติก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นความเพียรพยายามจึงเป็นเรื่องของคนรู้ทุกคนที่จงใช้เหมาะสมสอดพร้องแก่กรณนนีนั้นๆ้และผลของการใช้ความเพียรพยายามก็จะอำนวยให้ เป็นความสุขความสงบตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป